ฐานไม่สมควรเ ต, ติติรชานะปริบัติอย่าทำเตรชานคาถาพูดไม่ดีอย่าทำสี่ชายคริยาคริยานุโยกการประกอบความเพียรของผู้เตือนอยู่หมายความว่าเราจะมีความเพียรคือทรงสติสมัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เรารู้ตัวเยะว่าเวลานี้เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ทำอะไรให้มันเกินพอดีพอควรเราจะทาแต่เฉพาะในขอบ เ, เขตของมาธรรมวินัยเท่านั้นอย่าลืมจงมีสติว่าก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำจงใช้สติสัมปชัญญะว่านี่มันควรไหมถูกตามและธรรมวินัยไหม ถูก ต, ตามระเบียบแบบแผนของกฎข้อบังคับไหมถ้ามันไม่ถูกจงยาทําคําว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลผู้ไม่เผล อ, อในการเผลอนี่มันความจริงมันยิ่งกว่าหลับหลับถูกตัวมีความรู้สึกได้ยินเสียงมีความรู้สึกแต่คนขาดสติสัมปชัญญะนี่สอนเท่าไหร่ไม่มีความรู้สึก เดือด้านยิงกว่าจติยาชันที่สำหรับเลี้ยงไว้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขายังสอนกันได้แต่คนดื้อมันสอนอะไรไม่ได้นี่บุคคลประเภทนี้เป็นคนไร้สติสมัชัญญะเรื่องไม่ดีอย่าให้มีขึ้น <c oughs> เรื่องดีควรไม่ควรถ้าดีไม่ดีอย่าตัดสินใจเองมาบอกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองตามนํำดัดชั้นนม่อยู่ ไอ้จงอ่าเระเอาว่าทำบริไนเขาองสมเด็จปตัตตบรมครูเป็นหลักนี่พูดให้กันฟังทุกวันนะอย่าดือ้ออย่าด้านอย่าทําตนเป็นสัตว์จงทําตนเป็นมนุษย์ทําใจให้มันดีเพีอย่างเดียวมันก็หมดเรื่องให้ความเพียรในที่นี้ก็เพียรที่รักษากําลังใจให้มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าบอกแม้เผลอไปหน่อยเดียว พอทําความชั่วคนมาพอมีโทษใครเขาว่าแล้วก็เผลอไปหน่อยหนึ่งอย่าเผลอดิเขาบอกแล้วบอกจงอยจำเป็นผู้ไม่เผลอ <c oughs> เผลอได้เล่นอยู่ในเขตของพุธอพระพุทธศาสนาไม่มีการเผลอเผลอก็มีโทษไม่เผลอก็มีโทษถ้ามีเจตนาทำก็มีโทษไม่มีเจตนาทําก็มีโท ษ, ษ, ทโทษถ้ายอมไม่เผลออยู่เสมอแล้วก็มันก็เผลอตลอดการ ลาเดาทนเผลอไม่ไหวออกไปทั้งนอกเขตของพระพุทธศาสนา <c oughs> อย่าบูชาความชั่วนี่ข้อทีห้าศรัทธาความเชื่อนี่เระเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าโดยสายปัญญาพิจารณา <c oughs> เราพิจารณาแล้วใช่ไหมเนี่เข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จต ะ, ะทคตแก่แก้ว <c oughs> เราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีดี เราจะดีตามพระ อ, องค์เวลาเข้ามาอยู่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็แสดงว่าเราไม่เชื่อถ้าเราเผลอบ่อยๆก็แสดงว่าเราไม่ดีนี่เสียงบังเอิญมีเสียงเพลงกลากดเข้ามารบกวนก็โปรดทราบว่าใกล้ๆเ้ามีงานกันท่านิยมการเบิดขย้เสียงก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราเรื่องของเขาก็เรื่องของเขา <c oughs> ไกลๆมากๆไปใช่ที่ไหนถ้าไกลมากก็ไม่ได้ยินเสียงข้อที่ห้าเฮลิความละอายแก่ใจคือเราอายกับความชั่วที่มันจะเกิดกับเราเอาใจเข้าไปอายความชั่วถ้าใจมันอายแล้ความชั่วมันทําไม่ได้ถ้าเราไม่อายกับใจก็แสดงว่าเราเป็นคนใจด้านคนที่ทําความชั่วได้ชอบออกตัวว่าเผลอนี่คือคนใจด้าน เป็นคนที่ไม่น่าเม่ตาปราณีเพราะหลักการของอกพองสมเด็จพระจินาสีท่านบอกแล้วนี่หีริจนละอายแก่ใจอายชั่วอายไว้เป็นปกติตั้งแต่ลืมตามากกว่าจะหลับตาลงไปอายความชั่วตลอดเวลาถ้าปากแก่พูดชั่วจะนินทาว่าร้ายใครจะด่าใครจะสาบแช่งใครจะยุยางแต่แข่งแสจไรให้ใจของเรามันรู้ วันนี้มันสิ่งคนอายมันเป็นความชั่วอย่าไปจะนองตัวไปแงหาเรื่องชั่วขึ้นไหมมัก่อเป็นเหตุนี่เรอยู่ในเขตกระองค์สมเด็จพระบร ม, มโลกระเช้าโปรดทราบว่าไม่ต้องการบูชาความชั่วของใครได้จงคิดไม่ไดีว่าไอ้ความชั่วนี่ไม่บูชาแล้วก็ไม่เกล้งจะอดเพื่อความชั่วคนชั่วจะไม่กินด้วย <c oughs> กินของของคนชั่วก็ไปก็ทําให้กายชั่วไอ้กายมันเกาะกับใจใจมันจะชั่วโปรดทราบมาของของคนชั่วไม่อยากกินคนที่ไม่มีความละอายกับใจนี่ถ้าของมาให้ไม่อยากกินถ้าเกรงว่ามันจะชั่วไปด้วยประเดี๋ยวก็าจะหาว่าฉันเป็นผู้มีบุญคุณกินของฉันไปนแล้วต้องทําตามฉันอันนี้ไม่อยากกินบอกด้วย <c oughs> พอเจ็ดโอตปะปะเกรงกลัวแต่ความผิดนี่เป็นจริยาที่เราจะต้องประพฤติพระพุทธเจา้าให้ปฏิบัติตามนี้นี่เป็นจริยาเบื้องตน้นเกิดโอตปะปะเกรงกลัวแต่ความผิดเหมือนเชื่อว่าความผิดจากพระธรรมวินัยต้องกลัวทั้งหมดแล้วก็อย่ากลัวส่งเดชแต่คนที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยเรากลับกลัวเซะโด้วยอันนี้ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไกลถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเราทรมาวินัยเราไม่ต้องกลัว <c oughs> จะเป็นใครก็ช่างเถอะไม่สำคัญเราดูกันแค่ความดีกับความชั่วเท่านั้นถ้าเขาชั่วเรามัวเกรงกลัวเราก็ต้องชั่วไปด้วยกลัวเขาทำไมล่ะเขาเลี่ยงเราหรือเราพอใจในความชั่วหรือไม่จําเป็นต้องกลัว ทรงตัวเขไว้รักษาความดียันตายเรามีความดีใครเขาจะปล่อยอดตายเราก็ควรจะดีใจที่เราตายเร็วจะรจะได้รับผลของความดีในโอกาสหนา้าเพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องตายอย่าไปติดเนื้อาหารอย่าไม่ติดนามิตรอย่าไปติดในลาบยศประสเสริ์ที่เขาจะยัดเยียดให้ แต่ก็ให้แล้วเขาจะสร้างความชั่วให้เราให้เราปฏิบัติตามความชั่วอย่าอย่าทําตามนั้นดูตัวอย่างท่านครูบาศรีวิชัยท่านทําความดีแต่นักชั่วทั้งหลายแต่งแกล้งด้งดวยประการทั้งปวงท่านก็ไม่เกรงกลัวอะไร <c oughs> ถึงแม้เขาจะขับจะไล่ยจงไงก็ทำท่านก็ไม่ได้เกรงเพราะท่านถือตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ถ้าเราปฏิบัติดีที่ชาวบ้านเขาให้เราแล้วเขาสร้างสถานที่ให้เราโยูนนอกเขตของของใครไทยทั้งหมดที่เจ้าของเขามีสิทธิเราก็ให้เราอยู่เราอยู่ได้แต่นแปว่าเราต้องปฏิบัติดีตามประทำคาสั่งสอนขององค์สมเด็จไปจอมไตร <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติชั่วเมื่อไรไม่ไอายความชั่วไม่เกรงกลัวความชั่วเขาไล่มา่อไรก็ไล่ได้ ความจริงถ้าเราชั่วก็ไม่ควรจะรอให้เขาไล่ไปเสเองดีกว่าอย่าให้มีขึ้นมาอีกวงการภายในความเล่าร้อนใดๆอย่าให้มีขึ้นมาอีกทั้งพระทั้งกระว ا ดจะไม่เห็นกันหน้าบุคคลจะทีพระธรรมวินัยเป็นสำคัญความเลวไม่ต้องการไม่ลืมเพระแปดเะหุสัจจะเป็นผู้ได้รับฟังมาก <c oughs> เพือตั้งใจสดับรับฟังสำนักของเรานี่ฟังกันทั้งตอนเย็นฟังทั้งตอนค่ำฟังทั้งเช้ามืดฟังทั้งกลางวันวันหนึ่งไม่มีเวลาฟังสี่เวลาตอนเย็นก็ฟังข้อวัดปฏิบัติตามระเบียบว่าค่ำสองทุ่มเราก็ฟังคําสมถะกรรมฐานนิปัสนากรรมฐานเช้ามืดเราก็ฟังนิปัสสนาญาณ เวลากลางวันล้วก็ฟังพระสูตรบ้างข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานว่างเป็นข้อเป็นการศึกษาไปในตัวกลางวันถือว่าเป็นการศึกษาเช้ามืดถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติเอาจิตเป็นเครื่องคิดเพื่อความเป็นประสงดาสกิธาคานาคารหารันมีเวลาตอนเย็นเป็นระเบียบเวลาขําฝึกพระกรรมฐานฝึกอารมณ์จิต นี่เวลาฟังของเรามีมากถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็น่าอายไอตัวที่มันวิ่งสี่ขาอยู่บริเวณวัดนี่เราต้องตั้งใจศึกษาไม่ใช่ว่าพอได้ยินเสียงธรรมะวินัยแล้วก็เดินหนีไปจำได้แล้วหรือยังเอารีบพูดเวลามันจะหมดก็ทีห้าวิทยะความเพียนเพียนนี้ไม่มีเพียนอะเพียงละความชั่วประพึกความดีง่าย ดีก็ละความชั่วก็คือไม่ละเมิดศีลมไม่ละเมิดวินัยคนปากร้ายในบริเวณนี้ระวังนะรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครเป็นคนปากร้ายคนปากเสียคนที่มีอารมณ์ไม่ดีคอยก่อความไม่สงบสุขก็ยังมีอยู่นะนำนำระวังน้อมัดระวังทั้งพระทั้งเนในอุบาสกอุบาสิกาอย่าลืมว่าที่นี่ไม่ต้องการคนชั่ว ถ้มันชั่วทางกายทั้งวาจาและใจเพียนละมันเสียปฏิบัติแต่ความดีอข้อดีสิทสติระลึกได้คือไม่มีอะไรที่เราจะลืมนึกไว้เสมอว่าเราศึกษาอะไรมาบ้างครูสอนอะไรมาบ้างแนะนําการปฏิบัติอะไรมาบ้า ง, าา ง, เ, าาางเพิ่มระดับธรรรามีที่พระพุทธเจ้าจัดไว้อะไรบ้างนึกได้เสมออย่าใช้คํามันลืม อย่าใช้คําเผลระวังท่านที่มีอายุถ้าใช้อย่างนั้นจะถือว่าท่านแกล้งทําความชั่วโดยจงใจอายุน้อยอายุมากไม่สาคัญที่บวชเขามามีอายุท่านั้นผู้หญิงผู้ชายไม่สําคัญอยู่ในเขตนี้ถือว่าเป็นสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเจะมาถือว่าฉันเพิ่งมาอยู่หนึ่งวันก็ไม่ได้ อยู่หนึ่งนาทีก็ไม่ได้ต้องถือว่าถ้าบระกาศตนมาอยู่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทั้งหมดที่จะพูดต่อไปด้วยไม่ใช่เท่านี้ข้อที่สิบเอ็ดปัญญาความรอบรู้นี่สิปัญญานี่มันมีดีกันทุกคนถ้ารู้ไม่รอบก็หนังสือเขาก็มีรู้รอบเวลาฟังวันหนึ่งสี่ครั้ง ตำรับตํารามีอ่านต้องรู้รอบจะมาบอกว่ารู้ไม่รอบไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วความชั่วรู้เพื่อการละตัดไปวันวันหนึ่งแสวงหาความชั่วของตัวให้ได้ไม่ใช่แกล้งทําชั่วนึกไว้ว่าอารมณ์ใจไม่คิดอดีอะไรไม่ดีบ้างไหมนั่งนึก เวลาจะนอนก็ น, นึกเออตั้งแต่ตอนเช้าที่เราเตื่นมาถึงเวลาที่เราจะนอนนี่ใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติะระลึกนึกขึ้นมาว่าแล้วพูดอะไรไม่ดีไปบ้างทำอะไรไม่ดีไปบ้างคิดอะไรไม่ดีไปบ้างมีไหมถ้ามีแล้วก็ใช้ความเพียรตัดมาซะเลิกมาซะยารักษาความชั่วเข้าไว้ใครเขาบอกว่าเราชั่วเราไม่ชอบ แต่ว่าเราพูดชั่วเราปฏิบัติชั่วเราคิดชั่วจใจใครก็มานั่งสนรเสริญล่ะ <c oughs> พระเนรทั้งหมดเคลวว่าเหมือนกันทําทุกอย่างและสิ่งที่ดีที่ควรอย่าใช้อํานาจเกินพอดีไม่มีใครก็มอบอำนาจเด็ดขาดให้นอกจากพระธรรมวินัย <c oughs> และเยสเดียตักเตือนอะไรกันในระหว่างเพื่อนก็ควรจะตักเตือนกันด้วยดีด้วยความปรารถนาดี แล้วก็จะต่จะเตือนกันก็บอกกันให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนี้มันไม่ควรแต่ว่าคนทุกคนก็ดีพระเนรทุกองค์ก็ดีไม่ควรจะต้องรับคําเตือนอีกเขาฟังกันอยู่แล้วทุกวัน <c oughs> ถ้าท่านยังเผลอให้้าวบ้านเขาเตือนจงทราบ ว, ว่ามันเลวเกินพอดีไม่ควรในการสการะบูชาของชาวบ้านในของพระดีกันมี่บัญญาความรอบรู้ในะใช้ อัตนาโจทยาตาหนังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวเองไปเสมอทําอะไรก็ตามจงอย่าคิดว้านดีระวังความเลวจะให้มันโผล่เมื่อความเลวมันไม่โผล่ขึ้นมาความดีมันก็มาเองดูทั้งระเบียบดูทั้งวินัยดูทั้งธรรมะดูทั้งข้อวัดปฏิบัติในด้านสมถกรรมฐานมิปัสนากรรมฐาน <c oughs> รักษากำลังใจให้มันครบถ้วนตามนั้นมันไม่มีความชั่วจะเกิดขึ้นนี่เป็นตัวปัญญาขอ้อที่สองสร้างบัตถมัฌานฌานที่หนึ่งให้เกิดขึ้นนี่เจริญนะเป็นระเบียบที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมดนี่จะมาลดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพ <c oughs> ราะว่าพระพุทธเจ้า พระทีสอนให้ทําตามนี้ต้องทําไม่ใช่ว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีรละระเบียบที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเองเจ้าพ่อเบรองนี่เราเป็นสาวก ค, คเรียกว่าอนุพุทธะเราเป็นผู้ปฏิบัติตามเรารู้ตามเมื่อท่านปฏิบัติมายังไงเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นมาดูก่อนข้อสิบห้าท่านบอกว่าผฐมไม่ชานทำชานที่หนึ่งให้เกิดขึ้นมันยากมะลชานที่หนึ่งนะ ข้อที่ิบสามทุติยชาญทำชาญที่สองให้เกิดขึ้นข้อที่สิบสี่ตถิยชาญทำชาญ ท, ที่สามให้เกิดขึ้นข้อที่สิบห้าเจตุทัยชาญทำชาญ ท, ที่สี่ให้เกิดขึ้น <c oughs> นี่ถ้าเราดูในจารณะสิบห้าแล้วไม่ใช่ลีลาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่มันเป็นกิริยาเบื้องตนอ้นของบรรดาพระหรือบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน <c oughs> ที่เข้ามาในเขตพ ร, ระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรปฏิบัติแบบนี้นี่มันยังเป็นจริยาของท่านผู้ได้ฌานโลกีอยู่ในบรรดาท่านพุทธบริษัจเป็นปณิรเรียกว่าเป็นจริยาคือความประพฤติหยาบหยาเบืเ้องต้นเท่านั้นใ <c oughs> นเสียงมันแห้งต้องขอภัยด้วยวันนี้ความจริงป่วยไข้ไม่สบายแต่ถ้าว่าเพราะโดยอํานาจ เพื่อพระธรรมวินัยแล้วเราก็ยอมตายเพื่อพระธรรมวนินัยที่บันทิกวันนี้มันเป็นวันที่เท่าไรสิบเอ็ดกันยายนพศอ ส, อสองพันห้าร้อสิบแปดจำไม่ด้วยนี่รองมาจากบทก่อนบทก่อนมันเป็นวันพศอ ส, อสองพันห้าร้อสิบแปดแต่วันที่เท่าไร่นที่สิบกันยายนเสียงนี้มันอาจจะอยู่นานแต่เสียงไม่เคลือท่าน เวลานี้เป็นอะไร <c oughs> ร่างกายไม่ดีทุกเวทนามันเบียดหนักและก็ยังมีอาการทางภายนอกเข้ามาเบียดเบียนใจแต่ก็ไม่เป็นไรหรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าท่านเป็นเข้าไปเจ้าหรือแม่แตมาท่านก็คงจะบ้าตายไปแล้วแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าท่านหลายดีกว่าแตมาก็คงไม่บ้าเหมือนกัน <c oughs> เวลานี้ภัยต่างๆรอมรอบกันมารอบตัวแต่ว่าเราจะไปสนใจอะไรกับภัยเหล่านั้นใน <c oughs> เมื่อเราเป็นสาวกพอะองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดทราบไว้เลย ว, ว่าจรณะสิบห้านี่เป็นจรณะคือความประพฤติขั้นต้นจรณะแปลว่าความประพฤต การปฏิบัติตัวขั้นต้นที่เข้ามาอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาเขตอื่นเขาจะปฏิบัติกันหรือไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านแต่ละเขตแต่เขตของเราถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ให้อาภัยไม่ได้เลยเพราะว่าเวลานี้ศ า, าสนาขององค์สมเด็จพระสัมมา ส, าสัมพุทธเจ้ายังครบถ้วนบริบูรณ์ จงอย่าทํากายทําใจคิดว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรหมดไปแล้วมเมื่อหมดศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีแก้วก็เหลือแต่ศาสนาของเทวทัตแต่อย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธศาสนายังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องมิตกังวลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านจงอย่าทิ้งเจรณะสิบห้า จงอย่าลืมว่าสำนักของเราถ้าท่านหลายปฏิบัติในจารณาสิบห้ารายการในครบถ้วนเรายัางไม่สรรเสริญท่านว่าเป็นคนดี <c oughs> จําไว้ยังไม่ถือว่าท่านจบหลักสูตรในสำนักของเราและทางสำนักก็ยังจะไม่สรรเสริญว่าท่านเป็นคนดีเป็นแต่เพียงจะเห็นว่าท่านเป็นผู้สมควรพอจะอยู่ที่นี่ได้เท่านั้น เรื่องความดีในสำนักของเรานั้นยังมีมากไปกว่า น, นี้ต่อไปท่านจะมองเห็นว่าเรามีอะไรกันบ้างตอนหัวค่ำเราสอนอะไรตอนเช้ามืดเราสอนอะไรตอนกลางวันเราสอนอะไรตอนเย็นเราสอนอะไรโน่นจุดหมายปลายทางของเราก็เวลาเช้ามืด ถ้าว่าปฏิบัติใองครบถ้วนบริบูรณ์ตามนั้นเลยก็เรียกว่าท่านเป็นคนดีแน่ถ้าปฏิบัติได้ในสีเ่เขตถ้ายังขายเขตใดเขตหนึ่งเป็นเขตสุดท้ายยังไม่ยกย่องท่านว่าเป็นคนดีก็ยังถือได้เพียงว่าเป็นผู้สมควรในการสการะยังไม่ยกยอดให้ว่าเป็นผู้ดีที่สุด หาว่าธัญญาธรรมต้นให้ดีที่สุดในเขตนี้ก็คือสามีจิตปฏิปัโนถ้าถึงเมรัยยกย่องสรรเสริญถ้ามันั้นความจริงในตอนนั้นท่านก็ไม่ต้องการการยกย่องสรรเสริญแล้วอารมณ์ใจท่านก็ปิดจากโลกธรรมทั้งแปดประการจัดว่าเต็มความประสงค์ขององค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจา้า มีเสียงก็แห้งพูดก็ไวข้อข้อวัดปฏิบัติมีถึงสิบห้าข้ออารัมพะบทก็มากไปแต่ร่องเร่งรัดในการพูดหน่อยถ้าฟังไม่ค่อยจะทันแล้วก็ขอท่านนั้งไหลให้อภัยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะพูดเวียนรอบกันไปทุกๆุกวันขึ้นต้นไปถึงลงท้ายแล้วกลับขึ้นมาฟังกันใหม่นี่เรียกว่าปฏิโมกข์ของเรามีทุกวัน มีทั้งประธรรมมีทั้งวินยัยจึงกล่าวว่าเขตนี้เป็นเขตทององค์สมเด็จพระจอมไตรบรม า, ามาศัญญาสมาสมพุธเจ้าเราไม่ถือพวกเราไม่ถือกนนะัฐเราไม่ถือพักแต่ทว่าเราถือว่าธรรมวินัยเป็นสําคัญอาณบรรดาทพุทธบริษัททุกทา่นานสัญญาณบอกไปหมดเวลาปรากฏแล้ว ต่อที่นี้ไปก็ขอยุติ่าแต่เพียงเนี่นี้สำหรับเย็นวันนี้เย็นพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่ที่เราเบียบภายในของวัดขอบรนดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนสาธ ร, รมิกะทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลรณผลผลจงเป็นบุคคลผู้เข้าถึงความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ทุกท่านสวัสดิ์